ไปเรียนรู้ไปหรือว่า Learning by doing เรียนรู้จากการกระทําในวิปัสสนาแบบหลวงพ่อเทียนนั้นต้องเรียนรู้จากการกระทําไม่ใช่เรียนรู้จากตัวหนังสือหรือเรียนรู้จากทฤษฎีทําไปศึกษาไปทำอย่างนี้มันเป็นอย่างไรวิธีการเคลื่อนไหวนี่ต่างจากลมหายใจอย่างไรให้เห็นให้ชัดทั้งได้ตอนกลางวันได้บอกว่าตอนที่เราทําแบบดูการเคลื่อนไหวของลมเข้าออกเนี่ย มันก็จะรู้สึกได้สองอย่างคือหายใจเข้ากับหายใจออกเท่านั้นนะทีนี้ไอ้ลมหายใจนี่เรามองไม่เห็นชัดเรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้กับลมเข้าออกซึ่งเป็นรูปละเอียดเพราะนั้นรูปละเอียดเนี่ยยากที่เราจะเกาะสติเราจะเกาะเกี่ยวได้ตลอดบางครั้งมันหนักบางครั้งมันเบาบางครั้งมันสั้นบางครั้งมันยาวไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ชัดเจน ยี่สำหรับคนมีสติสัมผัญญะไม่เข้มแข็งเนี่ยทาไปสักพักหนึ่งก็จะง่วงจะเหงาจะฟุ้งจะปุ้งจะแต่งหรือหลับไปเลยก็มีเพราะว่าสติไม่เข้มแข็งสําหรับคนมีสติสัมผัเข้มแข็งก็สามารถที่จะดูไปได้นานๆแต่ก็มีน้อยคนที่จะดูได้เป็นทีละหลายชั่วโมงส่วนใหญ่ก็ไม่ถึงชั่วโมงก็มีอาการนะไม่ง่วงก็เหงาไม่เหงาก็เบื่อไม่เบื่อก็ฟุ้งไม่ฟุ้งก็หลับ พอเสถีสยรย่าเรไม่แข็งพอเพราะนั้นหลวงพอเทียนเลยเลยหันมาใช้การเคลื่อนไหวข้อมือแทนเพราะการเคลื่อนไหวข้อมือนี่มันเป็นจังหวะที่แน่นอนตาบใดที่เรารักษาเขาว่าตัวขวาเนี่ยเหมือนลมหายใจด้านจมูกขวาตัวซ้ายเนี่ยเหมือนลมหายใจเข้าจมูกซ้ายเรายกขึ้นเหมือนหายใจเข้ายกข้างนี้หายใจเข้าด้านนี้ มีหายใจเข้าเวลามือออกเหมือนหายใจด้านนี้ออกลมออกมาด้านนี้อันนี้ลมออกด้านนี้แต่ว่าลมเข้าลมออกข้างมือเนี่ยมันสามารถเพิ่มจังหวะได้แต่ลมหายใจเข้าออกมันไม่เพิ่มไม่ได้มันมีแค่เข้ากับออกแต่บางคนที่จะกําหนดว่าเออหายใจเข้ามันกระทบปลายจมูกกระทบริมฝีปากกระทบโพรงจมูกกระทบลุมคอเลยไม่ชัด แต่พอเรามากำหนดเ ป, นเป็นเป็นจังหวะการรู้แบบมือเนี่ยมันชัดนะหนรู้พลิก1ตั้งรู้2 ส, สัมผัสได้ว่ามันรู้สอสัมผัสได้ว่ามันหยุด4 ส, สัมผัสได้ว่ามันเคลื่อน5สัมผัสได้ว่ามันจับตรงนี้6กลด้ดพลิก 7ขึ้นเนี่ยหเพราะตั้งได้7จละ8เคลื่อน9หยุด10มาตรงนี้สิคือเคลื่อน11คือหยุดสิคือเคลื่อ น, 12, น13หยุดรู้14เคลื่อน15หยุดรู้16เคลื่อน17หยุดรู้ 18เคลื่อน19หยุดรู้20สเคลื่อน21รู้22เคื่อน23รู้24เคลื่อน25หรู้26เคื่อน27รู้28คสอมทั้งหมดหยุดครั้งเคื่อนส4ครั้งเป็น28 แต่ลมหายใจคือมีเข้ากับออกแค่สองเพราะฉะนั้นความถี่ระหว่างตามรู้ลมหายใจกับความถี่ระหว่างตามรู้การเคลื่อนไหวมือจึงความถี่ต่างกันคนละหลายช่วงตัวระหว่างสองกับยี่สิบเพราะฉะนั้นความถี่ตัวนี้ก็จะไวกว่าความถี่ของสติที่รู้ทั้งหมดแต่ว่าเวลาทําก็ให้รู้โดยรวมนะแต่ให้รู้ชัดๆนั้นเองอาการที่มันวูบว่าูบ ว, วบด้วยเจตนานเนี่ยมันก็จะเป็นตัวรู้ รู้สึกรู้สึกรู้สึกตัวรู้สึกนี้ถูกสั่งสมมากเข้ามาเข้ามันก็จะไปตามทันกับตัวรู้สึกที่เป็นรูปและเป็นนามรู้สึกที่เป็นรูปขณะนี้เรารู้ทันว่าสํารวจทั้งตัวเลยว่าความรู้สึกไม่สบายเนะี่ยปรากฏในส่วนไหนของร่างกายบ้างมันก็จะเอ็กซาเล่แสงสว่างของสติสัมปชัญที่เี่ยก็เอ็กซาเล่ผ่านทะลุทั้งตัวว่าเออตรงนี้หนักตัวนี้ เจ็บตรงนี้ขัดตรงนี้คันตรงนั้นร้อนตรงนี้เข็ดตรงนี้ยอกตรงนี้คันแสบตรงนี้มันจะแค่เห็นทะลุหมดอันนี้คืออํานาจของเหมือนแสงสว่างของเลเซอร์หรือเอ็กซเลย์ที่ส่องลงไปอันนี้หมายถึงว่าตัวรู้สึกที่มันมันมีความเข้มข้นสูงแล้วนะแต่สําหรับคนใหม่ที่ความรู้สึกยังไม่เข้มข้นไม่สูงนะมันก็จะใช้ได้ไเฉพาะจุดนะ อันนี้เรียกว่าสติสมมุติยะแต่พอพัฒนาไปนานเข้านะเข้าวันก็จะเห็นชัดทุกจุดเหมือนกับเราแคสสแกนเรา scan, ก็จะเห็นเป็นภาพออกมางั้นเลยแต่ในช่วงที่สติสมมุตยะยังไม่แข็งกล้าก็เห็นภาพลางๆเหมือนกับภาพฟิล์มเอ็กซเรย์ที่ออกมาแต่ว่าไม่ได่เป็นจินตนาการไม่ใช่เป็นอิมเมจนะแต่ว่ามันเป็นภาพที่ปรากฏในความรู้ เห็นงไปไม่ใช่สร้างจินตนาการเป็นความรู้สึกนี่หรือว่าเป็นปัญญาขึ้นมาละปัญญาที่เห็นรูปก่อนต่อไปถ้าทำไปเรื่อยๆโดยที่เรารักษาความต่อเนื่องทำไปหรือเวลาเราจะลุกไปนู่นไปนู่ดจับนู่นเฉยนี่ไปตามไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่าพอทำที่นี่แล้วหยุดแค่นี้นะไม่ใช่พอเราไปบ้านไปที่ไหนจะไปขึ้นรถไปขับรถไปนับแต่ลุกจากนี้ไปเนี่อลุกอย่างไร เดินไปอย่างไรเพราะนั้นเวลาเราหันมาเจริญสติแบบนี้แล้วเราจะพูดน้อยลงเพราะว่าถ้าเราอาการพูดนี่มันทำให้เสียสติได้ง่ายเพราะว่าพอมันความเคยชินพอพูดแล้วมันก็ไหลไปเรื่อยๆจบไม่เป็นต่อเรื่องนี้แล้วก็ไปต่อเรื่องนี้ต่อเรื่องนี้จบก็ไปต่อเรื่องนี้ไปเรื่อยๆสติมันก็จะไม่กลับมาแต่พอเราเจริญสติเราจะเห็นคุณค่าของการกลับเข้ามาดู แทนที่จะปล่อยพลังนั้นออกไปทางกายวาจาที่มันไม่มันออกส่งออกแต่เราจะตีกลับเข้ามาเพราะนั้นคือผลประโยชน์ของเราโดยเฉพาะแต่ถ้าคนที่มาจเจริญวิปสัสนาแนวนี้เข้าใจแล้วเนี่ยจะมุ่งที่จะทําเขาเรียกว่าปรมาถประโยชน์ถ้าได้พูดคุยไปอินเตอร์เทนคนอื่นให้พอใจพูดเอาเอาใจสนุกสนานทําให้คนอื่นได้รู้เข้าใจหรือให้พอใจเนี่ยมันเป็นประโยชน์ของคนอื่นแล้วเราก็เสียประโยชน์ของเรา แต่พอเราเริ่มเห็นประโยชน์ตัวนี้อ๋อประโยชน์ที่แท้จริงปรามัตทัประโยชน์ประโยชน์สูงสุดคือความรู้ความค่อยใจความเห็นแจ้งในกายในใจนี้เราก็จะมุ่งกลับมาเอาประโยชน์ตัวนี้ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสว่าประโยชน์ของคนอื่นแม้ตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่เท่ากับประโยชน์ของตัวเองแม้อันเดียวเพราะประโยชน์ของคนอื่นตั้งร้อยตั้งพันไม่ไม่ไม่ได้ช่วยให้เราดีขึ้นแต่ประโยชน์ของเราแม้สิ่งเดียวมันก็ทําให้เราดีขึ้น เพราะนั้นคนที่เริ่มเห็นคุณค่าของกายของใจตามความเป็นจริงแล้วก็จะเริ่มดึงจิตกลับมาฉายมาส่องมาดูตัวเองจากดูเป็นภาพลางๆเป็นภาพเอ็กซเรย์จนเป็นภาพแคสแกนขึ้นมาเห็นชัดเรียกว่ายานปัญญาในระดับรูปนะต่อไปพอเห็นกายเห็นรูปชัดเจนทุกส่วนแล้วเนี่ยจะพลิกจะเปลี่ยนจะเคลื่อนจะไว้หยิบ อยากจับชวยอะไรมันรู้ไปหมดเนี่ยหายใจภาพตาอาปากก้มเงยชัดเจนหมดเราก็เริ่มไปรู้ช็อตต่อไปละเพราะว่าในสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นคืออะไรก็คือตัวคิดเน่เมื่อก่อนนี้เราคิดร้อยอันพันอย่างเราไม่รู้วันเราคิดกี่เรื่องแต่พอเรามาเจริญสติแบบนี้เราเริ่มใช้เวลาทีละนาทีแทนที่จะเป็นวันเป็นนาทีนี่เราคิดอะไร จะแยกหน่วยเวลาให้ละเอียดขึ้นจากนาทียังไม่ทันอ่ะหวิเวิสิวิยีวิไปแยกหน่วยเวลาให้ละเอียดขึ้นมันก็จะนี่คือเป็นเข้าสู่ระบบดิจิทัลของวิทยาศาสตร์ได้เลยนะว่าเป็นยูนิตยูนิตยูนิตไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่น่าศึกษามากแต่ว่าเราตลอดชีวิตนี่เราศึกษาเพื่อให้ชีวิตส่วนร่างกายนี่ให้ดำรงอยู่ บางคนก็สําเร็จบางคนก็ไม่สําเร็จบางคนก็พอมีอยู่มีกินบางคนก็ร่ํารวยบางคนก็ยยากจนเหมือนหร่บางคนก็เป็นหนี้เป็นสินหนักกว่าเก่าไม่มีใครสําเร็จเหมือนกันทุกคนบางคนเท่านั้นนะแต่พอมาเจริญทางด้านอาริยทรัพย์คือทรัพย์สมบัติข้างในเนี่ยมันก็ยิ่งละเอียดขึ้นนะพระพุทธเจ้าท่านเลยสละทรัพย์ที่เป็นโภกค่ายทรัพย์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ดินดอนตอนหญ้าบ้านไรนาสาโทเงินทองของข้าวอาณาประชารัฐทั้งหมดออกมาแสวงหาอริยทรัพย์แต่พระ อ, องค์สามารถที่จะจับใจใช้สอยอริยทรัพย์มามาเป็นเวลาสองส0มพปีแล้วยังไม่หมดเลยแต่ถ้าหากว่าพระ อ, องค์เป็นกษัตริย์คนหนึ่งใช้ทรัพย์สินจนหมดช่วลูกช่วหลานแล้วก็จบกันไม่มีใครรู้จักกษัตริย์เป็นร้อยเป็นพันในอดีตไม่มีใครรู้จักเท่ากับพระพุทธเจ้าเจ้าชายกฤษฎา แต่พอเจาชยจายเจษสละทรัพย์ทั้งหมดออกสแสวงหาเลทรัพย์แต่เป็นคนเป็นบุคคลที่รู้จักกันมาเป็นเวลาสามพันเกือบ 3,000 ปีแล้วก็ยังไม่มีใครลืมลงเลยเพราะทรัพย์อริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่อมตะเราทั้งหลายก็ได้รับทรัพย์อันนั้นทุกวันนี้เรารู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญารู้จักพระธรรมแปดหมพันธรรมรู้แต่เป็นทรัพย์ของพระองค์เท่านั้นที่ท่านค้นพบด้วยการทําอย่างนี้นะ แต่เราอยู่กับมันจนคุ้นชินเลยไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นอริยทรัพย์เหล่านั้นวันใดที่เราเริ่มมาปฏิบัติวิปัสสนาเราก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของอริยทรัพย์นั้นพอเราสัมผัสอนิสงของอริยทรัพย์นั้นได้ด้ว ย, ว ย, วยตนเองนะด้วยการมาศึกษามาเรียนรู้ทีนี้เมื่อกี้มาถึงตอนที่ว่าเมื่อเราเห็นกายชัดเหมือนกับ เอ็กซ์เ็ดีเหมือนกับสแกนก็ดีชัดเห็นทุกส่วนด้วยอํานาจของสติสมญาที่เรามองกลับเข้ามาหาตัวเองทุกเวลานาทีเนี่ยมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นภาพที่มันลางๆเรือนๆเบลอๆมันก็เริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อก่อนเราจะทำอะไรลุกปุ๊บไปเลยใช่ไหมเราก็ไม่รู้เราไปถึงไปจับของมานั่งแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราไปยังไงแต่พอเราเริ่มเจริญสติเราเริ่มรู้ว่าเราจะลุกอย่างไรลุกขึ้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกอะไรแล้วจะก้าวไปอย่างไร เริ่มรู้พอไปถึงที่จะเอาของแล้วอีไหนออกไปก่อนจับยังไงหนักเบาจะมาเฉยแล้วรู้สึกก้าวกลับอาการอย่างไรเริ่มเห็นชัดแล้วกับก้าวเท่าไหนอกอกกรณนเท่าไหนที่ก่อนหมุนตัวอย่างไรเพราะนั่นจังหวะการใช้ซิมวิตของหลังจากเจริญวิปัสสนากับ ก่อนเนี่ยมันต่างกับคนละเรื่องเลยเมื่อก่อนเราเป็นหุ่นเป็นทุกข์ตาไขาลานตามอำนาจของความคิดมันจะสั่งไปแต่พอเราเข้าใจหลักอันนี้แล้วเนี่ยเรากลับเป็นผู้ใช้ชีวิตจิตใจให้ทําตามอำนาจของตัวพระธรรมก็มาทำให้เราเห็นสภาวะต่างๆชัดขึ้นชัดขึ้นทีนี้พอเรามาเห็นกายชัดจิตมันคิดออกไปเนี่ยพราะจิตมันก็เกิดจากกายพระจิต นี่มันก็เกิดจากอะไรอ่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมรวมเรียกว่าจิตแต่ในส่วนกายเนี่ยกัเวทนาเรียกว่าทํางานร่วมกันอยู่ทีนี้ก็สัญญาสังขารวิญญาณก็ทํางานร่วมกันอยู่วความจริงแล้วเขาเรียกว่ารูปกับนามในส่วนแปลว่ า, วาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนาม รูปคงเป็นรูปแต่ตัวเวทนาเนี่ยเป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้ถ้ามันมาอยู่รู้สึกที่กายเรียกว่ารูปนามแต่เป็นรู้สึกที่ใจเรียกว่านามารูปแต่ว่าเวทนาเนี่ยจะเป็นรูปก็ได้เป็นนามก็ได้อ่าถ้าเราคิดเรารู้สึกพอใจเมื่อพอใจเวทนากลับเป็นนามารูปแต่รู้สึกเจ็บปวดเย็ร้นหนักแข็งเวทนากลับเป็นนามกลับเป็นรูปนามรู้สึกพอใจเมื่อพอใจรักชอบโกรธเกลียเวทนากลายเป็นนามารูป รู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเวทนาเกิดเป็นรูปบนามเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเวทนาจึงเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้รูปก็ได้เป็นนามก็ได้เป็นกายก็ได้เป็นใจก็ได้แล้วแต่ว่ามันจะแสดงฝ่ายไหนนั้นเราจึงมาจับที่ตัวเวทนาว่าขณะที่ทําในขณะนี้เวทนาเรามีรู้ว่าเรามีรูปเพราะเรามีเวทนาเพราะนั้นเฉพาะรูปเนี่ยมันก็เหมือนท่อนไม้มันไม่มีความเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงให้รู้แต่เพราะมันมีนามคือเวทนาตัวนั้น เอานามมาครึ่งหนึ่งมารู้เราถึงรู้ว่ากายนี้มีความเย็นร้อนอ่อนแข็งแข่งงตึงอยู่เ ร, เรียกว่ารูปนามแต่เมื่อไรจิตแสดงอาการชอบไม่ชอบโกรธเกลียดเครียดขุนเวทนาแสดงอาการของอาการของนามเรียกว่านามมารูปเพราะฉะนั้นตัวนามมารูปนี่เองมันพร้อมยี่เป็นนามล้วนๆได้เพราะนามมารูปก็คือความคิดใช่ไหมรูปบนนามคือความรู้สึก นามรูปคือความคิดเพราะฉะนั้นความคิดนี้ถ้าแยกให้เหลือเวทนาล้วนเอาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณอีกส่วนหนึ่งให้เหลือเวทนาล้วนวิญญาณเวทนาตัวนี้กลับเป็นตัวรู้เรียกว่าปัญญาเวทนานี้พัฒนาเป็นปัญญาได้แยกออกมาถ้าเวทนาตัวนี้เหมือนเหมือนเวทนาบริสุทธิ์เนี่ยถ้ามันไปปนกับสัญญาสังขารวิญญาณปนกับอวิชชาเข้าน้ําใสใสไปปนกับสีเขาเรียกว่านามรูปออกมาเป็นความคิดชอบหรือไม่ชอบชังหรือชังอะไรก็ได้แต่นะ ทีนี้พอเราเจริญสติเจริญวิชารู้ตัวเจริญตัวรู้ขึ้นมาเนี่ยมาแยกเอาสัญญาสังขารวิญญาณออกไปให้เหลือตัวเวทนาล้วนๆรู้เฉยๆตัวนี้กลับเป็นปัญญาเพราะฉะนั้นพระสารีบุตรเนี่ยที่ว่าเป็นผู้เลิศด้วยปัญญาเพราะท่านฟังทำกันนี้ทำกัน น, นี้แล้วเวทนาพริฤกษ์าศูตรที่พระพุทธเจ้าแสดงปรากฏว่าพระสารีบุตรตามรู้เวทนาตามที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยละเอียดปรากฏได้บรรลุธรรมเพราะ ฟังธรรมเทศนาเพราะนั้นพราะสาริบุตรบรรลุธรรมเป็นพระหันด้วยฟังธรรมเทศนาชื่อเวทนาผริขาหาสูตรคือกำหนดรู้ตามรู้เวทนาเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวเวทนาจึงเป็นตัวอารมณ์ของวิปัสสนาได้นะเพราะมันเป็นได้ทั้งรูปและทั้งนามเวลาเรามาเจเริญสติสร้างตัตัวรู้ล้วนๆไม่เข้าไปยุ่งกับความคิดเวลาความคิดมาดึงจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบัน ความคิดดับไปเหลือแต่รู้ล้วนๆรู้ล้วนเนเวทนาบริสุทธิ์ตัวนี้คือตัวตัวร่วมของปัญญานั่นเวลาทําอย่างนี้มันก็เลยปัญญาก็เกิดแต่ว่าไม่ใช่ทําไปคิดไปให้รู้ว่าทําไปรู้ไปว่าคิดเกิดขึ้นหรือไม่เกิดถ้าความคิดไม่เกิดไม่อยู่กับรูปรู้สึกกับรูปนามถ้าความคิดเกิดให้เอาตัวรู้ที่กำลังไปกำลังทําอยู่เนี่ย ไปรู้ตัวคิดตัวนั้นตัวคิดตัวนั้นก็จะดับแต่ถ้าความคิดไหนที่เราต้องการจะใช้เออวันนี้จะไปไหนจะทำอะไรแพลนขึ้นมาเป็นสิ่งจำเป็นการที่เราเข้าไปคิดโครงการที่จะทำอะไรวันนี้อย่างมีสติเราเรียกว่าปัญญาไม่เรียกว่าความคิดความคิดนั่นเองเ่ยแต่ถ้ามันมีสติเข้าไปกากับไปกลายเป็นปัญญาแต่ความคิดนั่นเองถ้าขาดสติเข้าไปกาหนดรู้มันกลายเป็น สังขารคื Alexander. อการปรุงแต่งอาจจะปรุงแต่งอะไรก็ได้ไปตามเรื่องของมันเขาเรียกว่าสังขารข น, นะเพราะฉะนั้นตัวความคิดจะเป็นได้ทั้งสังขารและเป็นได้ทั้งปัญญาขึ้นหรือว่ามีวิชาหรือมีสติสเข้าไปกํากับไหมเพราะฉะนั้นจํามาสร้างนี้เราก็มาสร้างตัวตัวสติเพื่ออะไรเพื่อเรียนนำเปลสติไปแปลงความคิดให้เป็นปัญญาดูเพราะฉะนั้นตัวรู้จึงสําคัญตัวรู้จึงเป็นตัวมรร เามาสร้างสมถาวิยปัสนาเพื่อให้เกิดตัวรู้เท่านั้นนะแต่ไปสร้างสมถาวิยปัสน า, าให้เกิ ด, ดรีดเดบริหารคมขังศักดิ์สิทธิ์อะไรนั้นอันนั้นไม่ใช่ตัวสมถาวิยปัสนาผู้ศาสนาแต่มันก็เต็มเมืองไทยไปหมดเพราะเราทําผิดมาตลอดหลายร้อยปีแต่เขาเขาเขาทำถูกนะแต่มันก็ผิดเพราะอะไรเพราะไปสําคัญมันหมายเอาตัวพลังของจิตเนี่ยที่มันเป็น ดิเดตปณิหารพลังศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะั่นว่าเป็นปัญญาอันนั้นไม่ใช่เป็นปัญญานอกพุทธศาสนาแต่ปัญญาในพุทธศาสนาต้องมารู้ทุกทุกเหตุเกิดทุกลุกการดับทุกวิธีการดับทุกเท่านั้นถ้ารู้นอกเหนือจากนี้ไม่ใช่ปัญญาในพุทธศาสนาคืออริยสัจสี่นะอันนี้เราเราต้องจําหลักนี้เอาไว้เพราะนั้นเองในวิธีการแบบนี้หลังจากจะมาามาก็ไม่ใช่คนรับอะไรได้ง่ายนะ พอเรียนจบทั้งวาลีทั้งพุทธศาสตร์ทั้งอะไรแล้วมาเจอวิธีนี้รับได้ไงเขาเกิดการวิเคราะห์วิจัยขึ้นมาว่าผู้ทธเจ้าว่าอย่างนี้คําสอนของโคเทนว่าอย่างนี้มันแมทกันตรงไหนจับมาแมทกันทีละตัวละตัวละตัวละตั ว, ตวโอ้ปรากฏว่าลงกันได้หมดเลยแล้วก็ทุ่มเททําเต็มที่เลยว่าไม่ผิดนะซึ่งก่อนหน้านั้นหลักของพ่อพุทธทาสก็ดีหลักของวัดมหาธาตุก็ดี หลัของงอ่หลักของนาปนสติก็เผยแพร่กันมานานแต่เราไปทําแล้วเนี่ยมันไม่เกิดทําแล้วมันไม่เกิดไม่ประสบผลสําเร็จเราจะไมว่าของเขาผิดไม่ได้แต่ความพร้อมของเราไม่เหมาะกับสิ่งนั้นแต่พอมาทานี้ถ้าเกิดความพร้อมแบบนี้มันก็รับสิ่งนี้พอรับสิ่งนี้ได้มันก็ไปแมตช์กับสิ่งที่เรายังรับไม่ได้นะมันก็เกิดรับได้ขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เราไปทําแล้วมันไม่ถูก แต่ไม่ใช่เขาสอนผิดนะแต่ว่าเรายังเข้าใจยังไม่ได้เท่านั้นเองแต่เราก็ไปทํำในสิ่งที่เราเข้าใจได้ก่อนเมื่อเข้าใจสิ่งนี้ได้เดี๋ยวมันก็ไปเข้าใจสิ่งนั้นได้มันถ้ามันถูกต้องนะมันก็สัมพันธ์หากันแต่นั้นเองการทําแบบนี้ก็ไม่ใช่ทาแบบที่ว่าจะเอาอะไรนะทําให้เกิดตัวรู้เท่านั้นเองตัวรู้มันมีอยู่แล้วแหะแต่ว่ามันไม่มีกําลังนะเรามาสร้างตัวรู้ให้มีกําลังเหมือนไฟเนี่ยมันมีอยู่ค่า ห้าแรงเทียนแต่แสงสว่างที่จะไปส่องไอ้ตรงนี้ให้เห็นชัดทุกจุดเนี่ยมันจะต้องหนึ่งร้อยแรงเทียนอย่างเงี้ยแล้วก็พัฒนาจากห้แรงเทียนเป็ร้อยแรงเทียนเท่านั้นเองสติรู้ตัวสัมผัสรู้ตัวคนมีอยู่แล้วคนห้าเปอร์เสซใช่ไหมแต่ว่าไอการที่จะเอาสติตัวนี้ไปดูกายทะลุให้ทั้งหมดต้องเพิ่มกําลังสติตัวนี้ให้เป็นสมาธิให้เป็นสัมผัญญาให้เป็นปัญญาใช่ไหม แต่ที่นี้เราใจสติด้วยไปส่องดูว่าใจคิดกี่คิดเรื่องอะไรคิดกี่ครั้งวันเนี้ยมันคิดยาวเท่าไหร่เรื่องที่คิดนั้นเกี่ยวท่วงอะไรถูกหรือผิดเนี่ยต้องพัฒนาปัญญานี่ให้เป็นญาณอีกทีหนึง่งเรียกวิปัสนาญาณพอไปถึงขั้นวิปัสนาญาณเราเรเห็นจิตออกมาเหมือนกับภาพยนตร์เลยทีนี้สายปุ๊บออกมาอ๋ อ, อแล้วก็เลือกได้ว่าอ๋อเหมือนกับแคสแกนอะพอมันออกมาในจอ แคสแคล้วก็เลยรู้ว่าไอ้สาเหตุของโรคมันเกิดตรงไหนก็ชี้ได้เลยอันนี้วิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ใช่ไหมวิทยาศาสตร์ทางด้านวิปรสนาก็พัฒนามาเช่นนั้นเหมือนกันอ่ะอันนี้คือคือข้อดีของคนยุค ป, ปัจจุบันนะถ้าหากคนที่มีศรัทธาที่จะศึกษาไนงะแต่ว่าด้วยความสับสนในแง่ของความคิดเรื่องวัตถุคนก็ไปหลงวัตถุเป็นตัวตนก็เลยไม่ค่อยมีศรัทธาต่อในเรื่องของนมามธรรมเพราะมันละเอียดเกินไป แต่ปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็เริ่มหันกลับมาศึกษาเพราะว่าวัตถุมันมันมีลิมิตข้างมันมีลิมิตตรงที่ว่ามันไม่พ้นไปจากกฎของไตรลักษ์อ่ะคือมันอยู่ในวนวังวนของเปลี่ยนแปลงเป็นทุกแตกดับเปลี่ยนแปลงเป็นทุกแตกดับอยู่แค่เนี้มันไม่พ้นไปอย่างนี้หรอกอะไรที่เป็นรูปทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นขบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเป็นการขบวนพิสูจน์ความเป็นรูปให้เห็นว่าไปยังไงม า, ยงงมายอย่างไรเกิยดยัางดับยังไงเท่านั้น แต่เลยจากรูปไปเนี่ยขบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายท่านเกินไปคนนั้นอีกก็มาดูนะขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปตัวนี้คือรูปทั้งที่เป็นรูปมหาพูทธรูปและอุปทัยรูปมหาพูทธรูปไมได้แก่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมอุปทัยรูปก็ได้รูปที่อาศัยเช่นรูปปวดรูปเมื่อรูปผู้หญิงรูปผู้ชายรูปเบื่อรูปไอ เซงรูปสบายไม่สบายเป็นรูปอันหนึ่งขาเนี่ยเป็นรูปของความปวดแต่รูปของขาตัวเว็นท่อนเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุธาตุดินแต่อาการที่เกิดขึ้นจากการปวดขานี่เรียกว่ารูปอันนี้ต่างนะรูปของธาตุดินเาเรียกว่ามหาพุทธรูปแต่รูปปวดที่มันเกิดนี่เขาเรียกอุปทายรูปคืออาศัยรูปสิ่งที่อาศัยรูปประธาต์เกิดเรียกว่ารูปประขัน เข้าใจไหมอันนี้เป็นหลักของวิชาเนี่ยอ้างนิดหน่อยนะแต่ถ้าว่าคนที่ไม่มีหลักวิชาก็จะยง่งนะรูปรูปประทัดนี่มีทุกคนคนตายก็มีใช่ไหมทุกอย่างที่เราเห็นนี่เป็นรูปประทัดหมดไม่มีวิญญาณแต่พอมันมีวิญญาณคลองเรียกว่ารูปประขันแต่เราสับสนเพราะฉะนั้นคําว่ารูปนี้ทั้งที่เป็นรูปประขันในรูปประทัดเรียกว่ารูปแต่ในส่วนเวทนานี่ก็คือรูปประขันเรียกว่าเวทนาขันคือเห็นเป็น อาการปวดปนี่เป็นเวทนาเป็นเวทนาขานเกิดแจงรูปขันเมื่อเมื่อเป็นอย่างนี้เวลาเรามาเจเริญสติเราก็จับเอาความรู้สึกเวทนาเป็นตัวตั้งเลยเพราะมันสื่อได้ทั้งกายทั้งจิตถ้าสื่อทางกายจะออกมาความสบายไม่สบายความเจ็บปวดทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงทางกายเวทนาเป็นตัวสื่อรู้ใช่ไหมพอมาสื่อทางจิตเวทนาก็ไม่สื่อให้เราพอใจไม่พอรักชอบโกรธเกลียด เป็นอาการทางจิตใช่ไหมแต่เวทนาผ่านเวทนาเป็นตัวรู้เพราะนั้นเวลาเราภาวนาหรือจะมารู้ตัวเวทนาตัวเดียวพอแล้วมันจะเกิดปัญญาอย่างที่รู้มันเกิดปัญญาได้ไงถ้าหากว่าเวทนาตัวนี้มาแปะทั้งรูปเป็นรูปนามถ้ามาแปะทั้งนามเป็นนามมารูปแต่ที่ถ้าหากว่ามันปิเหลือแต่ตัวรู้ล้วนๆน่ะไม่แปะทั้งรูปไม่แปะทั้งนามเป็นตัวรู้ตัวนี้เป็นกายเป็นปัญญาเข้าใจไหม ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจไว้ก่อนเนื้อเลยวันหนึ่งจะเข้าใจนะแต่อันนี้พูดล่วงหน้าไว้ก่อนเผื่อว่าบางคนมีภูมิปัญญาที่จะรู้ได้ในเรื่องเหล่านี้นะเพราะบางคนมีพื้นฐานมาในอดีตชาติไม่เหมือนกันดังนะนั้นเองการที่เราจะลุกจะนั่งจะยัง่งจะเดินด้วยความรู้สึกตัวนี้จึงดูถูกไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายเดินมาทางนี้ทางนั้นก็เรียกเป็นเอกายนามะเป็นทางเดียว ดังนั้นจำเป็นเวลาเรามาเข้าทางปฏิบัติทางสมถะวิปัสนาแล้วเราจำเป็นจะต้องสโลดาวตัวเองลงคือจะต้องช้าลงหน่อยสำหรับคนใหม่นะคือต้องช้าลงมันถึงจะเห็นชัดแต่พอช้าลงเห็นชัดแล้วมันก็จะเริ่มไวขึ้นได้เหมือนกับเราฝึกอ่ะนักมวยก่อนมันจะขึ้นชกบนวิธีได้แค่5ยก1ิยกเนี่ยมันซ้อมมาไม่รู้กี่พันยกใช่ไห ก็เพื่อที่จะให้มันมันเข้าเป้ามันตรงมันถูกนั่นเองแต่ถ้าไม่ซ้อมมากขนาดนั้นเนี่ยมันไม่เร็วพอมันไม่ตรงพอมันไม่ตรงเป้าหมายพอเพราะฉะนั้นการที่เรายกมือเนี่ยคือการซ้อมเหมือนกับ น, นักบวยซ้อมนั่นเองแต่เวลาของจริงกลับไปบ้านไม่ช้าอย่างวันนี้ไปอยู่ทําไมที่วัดนักหนามาบ้านดึกกลับบ้านดึกโดนสอบประลงเลยใช่ไหมปังเข้าหน้าไงอะไรนี่ แต่พอตั้งสติทันอ๋อเสียงเซตเตอร์ว่าเสียงไม่ใช่เสียงผู้หญิงไม่ใช่เสียงผู้ชายกระทบหูแล้รู้เฉยเฉยอ๋อตั้งสติทันแทนที่จะแวดกลับไปไม่แวดแล้วที่เฉยยิ้มเอาไปไงสบายดีไหมที่รักเอาบุญมาฝากเธออะไรโน่นนี่ก็ยิ้มกลับไปก็เรื่องก็จบง่ายๆใช่ไหมแต่ถ้าเราไปไงสวนกลับไปอะไรวะกูไปวัดมามึงยังว่าอย่างนี้ไปแล้วสัตว์พัวเลยนี่คือ ความแตกต่างระหว่างว่าการมีสติหรือขาดสติมันจะตอบสนองต่างกันใช่ไหมดังนั้นพอมาจับหลักได้อย่างนี้แล้วก็ลุยแบบไม่ต้องนี่เลยนะีปฏิบัติมันสนุกเลยทีนี้แต่ว่าต้องทําให้ถูกพอทําไปแล้วจุดไหนมันถ้าจุดไหนมันผิดมันจะรู้ว่าผิดแล้วมันจะรู้สึกไม่สบายทั้งกายทั้งใจแต่จุดไหนที่มันถูกมันจะรู้สึกว่ามันสบายทั้งกายทั้งจิตเออแสดงว่าถูก อย่าไปเอาตำรามาเทียบแต่เอาความรู้สึกของเราที่เราสัมผัสได้มาเทียบกูนไปใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ก่อนตำราเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่มีตำราพระพิบิดกแม้แต่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วพระพิบิดกเกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าพันนี้ผ่านไปเท่าไหร่450ปีถึงมาเขียนเป็นพระตวิดกก่อนหน้านั้นไม่มีไม่มีตำราเพราะฉะนั้นเราจะไปถูกขิดตามตำราไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ให้เชื่อนะจําได้ไหมกาลปมาสุดอ่ะ ไม่มีใครจําได้มั้งยมติ๋มมังจําได้ไม่ได้นะไอ้ใครบ้างแกวัดแกว่ายมพิษจําได้ไหม <c oughs> ไปมาละ <c oughs> ย้อมพิษนี่ไปเก็บอารมณ์อยู่ที่แพรยแสงเทียนเลยนั่นน่ะปีกายนะี่ยพ่อปีก่อนนะี่ไปปฏิบัติเข้าวคอร์เตมาอยู่ที่เฟสโน่ก็เลยได้เรื่องเนาะคงจะดีขึ้นกว่าเดิมนิดหน่อยนะดีดีมากขึ้นดีแย่กว่าเกา่า <c oughs> คืออาจารย์เปนหมดเลยคืออาจารย์ไม่รับคืนเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> <c oughs> เราจะเห็นว่าหลักการนันนี่ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่มาถูกเวลาสําหรับยุค ป, ปัจจุบันนะถ้ายุค ป, ปัจจุบันถ้าวิปัสสนาแนวนี้มาไม่ทันเนี่ยโอ้โหเราเราไม่มีทางไปเลยออเพราะหลไรเพราะกรรมฐานแบบน้องแบบพูดโทแบบอนาปนาสติมันละเอียดเกินไปแต่คนทุกวันนี้มันมันมันโลกวัตถุเข้าครอบงำอะ่ะมันก็เลยหยาบเมื่อหยาบแล้วจะใช้กรรมฐานละเอียดไปทําเนี่ยยาก ง่ายๆเช่น ว, ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนที่ทำอนาประสาทสิธิ์กำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขานั่งได้ทีละสมชั่วโมงหชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่กระดิกเลยนะนิ่งตลอดแต่เดี๋ยวนี้สักชั่วโมงเราเป็นไงเราสางอกสางแงะเลยใช่ไหมไม่หลับก็ง่วงไม่ง่วงก็ฟุ้งซ่านไปนั่งไม่ไหวพรอินทรีอ่อนนั่นถึงว่ามันละเอียดเกินแต่พอมาใช้การเคลื่อนไหวแบบมือเนี่ยมันไม่จํากัด อีรีบดนัง่งกูจะนั่งอีรบดไหนก็ได้จะผ้าเพียบหรือไม่ผราเพียบจาคัดขาซ้ายถือขวาไม่จําเป็นน่ะนั่งแบบไหนก็ได้อ น, นี่คือมันรู้ดเอารูปแบบอะไรออกหมดจะนั่งแต่ขอให้สาระหลักมันก็คือตัวให้มารู้ตัวเคลื่อนไหวนให้ให้ชัดๆเท่านั้นเองเอาตัวหลักมาเลยอันนี้คือความเหมาะเจาะของของกรรมฐานแนวนี้ แล้วที่สําคัญก็คือมันสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับในอรื่บททั่วไปในการกินการดื่มการทําการทํางานขับรถขับลาทุกอย่างตั้งแต่ตื่นจนหลับสามารถเจริญสติกับมันได้ตลอดเลยเพียงแต่ ว, ว่าเราจะใส่เจตนาเข้าไปได้มากน้อยแค่ไหนเราจะตามรู้ได้ทันมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยกับศรัทธาของเรามีศรัทธาที่จะศึกษา มีความเพียรที่จะตามรู้เนี่ยตัวนี้มันก็จะไปได้ไวนะบางทีแค่วันสวันรู้เรื่องละแต่บางคนทำบ้างไว้ทําบ้าง5ปี7ปีก็ยังไม่รู้เรื่องเพราะนั้นตัวต่อนเนื่องเลยสําคัญเรียบเทียบง่ายๆก็แล้วกันถ้าจะหุงข้าวสักหม้อนึงนะเสียบไปหนาทีไฟดับอ๋ออีกสักครึ่งชั่วโมงไฟมาเสียใหม่อีกสักห้นมม า, านาทีส่นาทีเอาไฟช็อตอีกแล้ววันทั้งวันเนอะ ข้าวม้อนั้นไม่สุกนะใช่ไหมแต่ถ้าหากต่อเนื่องไฟปกติครึ่งชั่วโมงสุกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นกฎของความต่อเนื่องที่พระพุทธเจ้าท่านใช้ก็ว่าสาตจักการีนูการทําต่อเนื่องหรือ continuity เนี่ยสำคัญความกฎของความต่อเนื่องเพราะใ น, นความต่อเนื่องไม่ได้หมายความว่าต้องมานั่งทํานี้ต่อเนื่องทั้งคืนทั้งวันนะคําว่าต่อเนื่องคือรู้ตวนต่อเนื่องสมมติว่าเอาหมดเวลาเลิกแต่คนดางไปไม่รู้ใช่ไหม แต่ก็บางคนเริ่มได้เสถีดด้เาเลิกก็เริ่มกันหนดรูแล้วก็รู้อ่านไปนเรื่อยจะเข้าห้องน้านําจะทานข้าวจะอะไรก็แล้วแต่นะแม้แต่จะพูดจะคุยก็กได้แต่ว่าเท่าที่จําเป็นนะเริ่มเห็นคุณค่าของคําพูดแต่เมื่อก่อนนี่ก็ว่าเห็นหน้าก็กต้องเขาพูดไปก่อนแล้ววันนะี้อันนี้คือความเคยชินของของเรานะแต่ถ้าหากว่า เราจเจริญสติแนวนี้แล้วเนี่ยมันจะเริ่มจัดการกับความเคยชินไปทีล ะ, ทละอย่างทีละอย่างละอย่างละอย่างไปความเคยชินก็จะลดน้อยลงลดน้อยลงซึ่งอันนี้เป็นความหวังของคนยุคใหม่ที่จะทำได้ถ้าหากว่าคนยุคใหม่ยังรับไอแนวนี้ไม่ได้นะั่นหมดหวังเลยนะแ้่แนวอื่นเนี้ยมาว่าไม่ต้องคิดอะมาเคยทำหมดล้หนอก็ทำมาผู้โทก็ทำมานับลมหายใจก็ทำมาหลวงพ่อเทียนแ่มนทมาตั้งแต่อายุถึงอายุี่ ยังโกรธเหมือนเดิมท่านวา อ, อยังโกรธเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสาเหตุที่หลวงพ่อเทียนตัดสินใจออกสวงหาเรื่องนี้ตอนอายุสิบหกเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นคนจริงเนี่ยทามาหากินก็รวดเร็วประสบผลสำเร็จเป็นเศรษฐีน้อยๆในๆในในเมืองนั้นน่ะนะเป็นขึ้นหบสดีและค้าขายระวังอําเภอเชียงคานกับลาวแม่น้ำโขงมีเรือกลไฟหลายลำ ทีนี้ชาวบ้านในอำเภอเชียงคานก็รู้ว่าหลวงพ่อเทียนเป็นคุณมีอันใจกินเนะเป็นผู้ใหญ่บ้านตลอดสมัยเลยว่าเงี้ยนะเลือกที่ไรก็ได้ได้ท่านเป็นได้ผู้ใหญ่บ้านทีนี้เป็นที่รู้จักของคนคุนวัดวาลํามตรงังก็มาขอกระถินแต่และปีวัดไหนขาดกระถินก็มาขอกระถินที่หลวงพ่อเทียนท่านก็จัดกระถินไปมันบอกท่านบอกว่าปีนั้นนะทอดกระถินห้าวัดทีนี้ตามบุตรีมีงานทอดกระถินตามวัด น, นอกเนี่ยเขาจะต้องจัดงานเนี่ยงานหมอเรางาน เราองโปองอะไรก็แล่าไสมัยนั้นนะ่ะทีนี้ระหว่างคุณโคเทียนกับแม่บ้านของท่านนะเนี่ยขาตกลงกันว่าท่านจะเป็นคนรับแขกที่มาจากต่างบ้านต่างเมืองที่จะมาร่วมมูมูธนากระินแต่ให้แม่บ้านเนะี่ยเป็นคนจ่ายเงินในเรื่องซื้อข้าวซื้อของจ่ายพวกมาล้องลำตำเต้นมาฉลองสมโพธกระทินเนะี่ยพระนิ ม, มนต์พระเจ้าอะไรมาฉลองสมโพธกรินเนะี่ยเปิดกระเป๋าจ่ายหมด ทีนี้พอเสร็จงานนะมันมีหมอลําคณะหนึ่งมาขอ เ, อ ง, เงินค่าแสดงกับหุวงพอเทียนหลวพอเทียนก็ฉุนขึ้นมาพอดีว่าเอ๊ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของแม่บ้านตกลงกันแล้วทําไมปล่อยมาตรงนี้ได้มันผิดที่อะ่ะก็เลยไปไปหาแม่บ้านแต่ท่านก็ติดอยู่ในใจว่าเอ๊ะตกลงท่าแล้วทําไมก็แค่ขายหน้าท่านพวกน้องนั้นนพอไปทอดกระถินเสร็จ กลับมาตอนเย็นกินข้าวกินปลากันในช่วงวงอาหารนี่แหละหลวงพ่อท่านก็ยังยบุญขึ้นมาในใจขณะนั้นนะเป็นเป็นอุบายโศกนะเออบุญกระปอดกาแฟอะว่าไอ้ทำไมลงแล้วเถิดทำไมให้คนนั่นคนนี่มาหาฉันด้วยทําไมไม่ดูแลหน้าที่เขาบนกเนาท่นไปแม่บ้านท่านก็เป็นคนเงียบพอเจอซักสองครั้งแม่บ้านโอ้พ่อทอดกรถินทเทียวนี้หวัดเลยนะพ่อไม่ได้บุญในแถมตรงนรกอีกนะ อ้าวทำไมพูดหลงพอเทียนหยุดเกึกเลยอ่ะท่านบอกว่าเออสิ่งที่แม่บ้านพูดจริงอ่ะท่ากระถินมาตั้งห้าวัดทำไมไม่ได้บุญเลยทำไมแค่เลือกแค่นี้ติดอ่ะในที่สุดท่านอายอายพรรยาท่านก็ได้ตั้งปริธานในใจเอาละต่อไปนี้จะไม่ต้องทำเรื่องกระ น, นี้ท่านจะไปภาวนาออกจากบ้านไปภาวนาถ้าไอความรู้สึกแบบนี้ยังออกจากใจฉันไม่ฉันจะไม่กลับบ้าน น, นี่คือความเด็ดขัดของท่านนะเสร็จแล้วท่านก็ออกจากบ้านไปสแสวงหากา ร, รปฏิบัติอายุสี่สหก็มาทางหนองคายก็ไปเจอลูกศิษย์หลวงพ่อมหาปานอนันโทหลวงพ่อวันทองสอนแบบกร ร, รมฐานแบบติ่งนิ่งอยู่อำเภอศรีเชียงใหม่ที่หนองคายพราว่าเราฟังฝังหนองคายกับสกุกไอไอเวียงจันทนระ์น่ะมันคนละฝักโขงเทานั้นเองใช่ไหมกรรมฐานมันก็กนหนไ ห, กรรรกหลกันมาเท่านนะั้นทีนี้ หลวงพ่อบนทองเกิสอนตงนะิ่งเนี่ยตงนิ่งตีงนิ่งตีงนิ่งตีนิ่งช้ามากกวจะเสร็จชุดนึงชุดหนึ่งนะแล้วก็ทาทุกอย่างแนละ้วจะเวลาในช่วง ข, ข้อคอดปว่าจะทานน้ำจะหยิบน้ามาดื่มเลยไม่ได้นะก็สร้างจังหวะก่อนตีงนิ่ง ติงหนิงติงนิงติงนิงติงนิงติงนิงเป็นจังหวะจังหวะหมดหลวงพ่อก็เรียนอยู่กับหลวงพ่อวนทองทีนี้ปรากฏว่ามันถึงเวลาเข้าพรรษาหลวงพ่อวนทองจะต้องประจำพรรษาที่อื่นท่านไม่มีอาจารย์ท่านเลยข้ามไปเวียงจันทร์ไปหาหลวงพ่อมหาปานอนันโทคือไปเจ้าวาดวัดสุโขทัยก็สอนติงหนิงนี่เหมือนกัน เพราะติงนิ่งเนี่ยเดิมทางพมา่านุ่นน่ะเขาสอนแล้วเจ้าคุณพี่มูลธรรมที่วัดมหาธาตุเนี่ยส่งหลวงพ่อโชดกไปเรียนจากพมา่าหลวงพ่อโชดกไปอยู่เก้าที่สอนเรื่องหนอมาจุบันแต่ท่านเสียไปและวไปเอาวิธีติงนิ่งมาจากมหาศีเสยดรที่สอนอยู่พามาเอามาสอนที่เมืองไทยที่กรุงเทพประมาณปีสองสีดสมาแถวนั้นแหละก็ปรากฏว่าหลวงพ่อ ทีมูลธรรมเนี่ยท่านเป็นเจ้ า, าคณะพปกครองเป็นสังฆมุนทีว่าการปกครองในเมืองไทยสมัยนั้นท่านก็เลยไปนิมนต์พระสงฆ์จากลาวจากขมเขมรจากมาเลเซียจากใกล้ๆเนี่ยมาเรียนด้วยในกรุงเทพมาเรียนวิธีการติงนิ่งเนี่ยพอเข้าสมาัมมนาอบรมก็เรียบร้อยก็กระจายกันออกไปประเทศไทยประเทศมันปรากฏว่าวิธีการติงนิ่งเนี่ยมาสอนในกรุงเทพไม่ถึงสามปีปรากฏราชายมละไม่ได้ พรยายมสมัยนั้นรู้จักหลวงพ่อมั่นและวิธีพูโทแล้วเขาไปติดพูดโทแล้วพอมาติงนิ่งอย่างนี้เขาไม่รับคือรับได้บางคนในที่สุดหลวงพ่ออาสภาก็ได้ส่งเรื่องนี้ไปหาต้นสังกัดคือหลวงพ่อมหาศีสยดาที่พมา่าว่าคนกรุงเทพเนี่ยรับลําบากกรรมาฐานแบบติงนิ่งเนี่ยเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมทางหลวงพ่อพอม่านั้นก็เลยนัดประชุมสัมมนากันใหม่เปลี่ยนวิธีการจากติงนิ่งเนี่ย มาเป็นลมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเออไม่ใช่หายใจเข้ายุบพองหนอหายใจออกยุบหนอสลับกันไปสลให้แทนที่จะดูเคลื่อนขึ้นไหวของมือให้ไปดูการเคลื่อนไหวของอะไรท้องแทนกรรมฐ า, านชุดนี้ก็เลยถูกเปลี่ยนจนกระทั่งทุกวันนี้มาจากอาจารย์เดียวกันคืออาจารย์มหาศียาดอพ่อมาแต่มาเปลี่ยนมาเป็นหนอ แต่ว่าในช่วงสำนันาเปลี่ยนวิธีที่กรุงเทพเนี่ยเจ้าคุณมหาปานนันโทเนี่ยไม่ได้มาร่วมด้วยท่านเลยไม่ได้เปลี่ยนหนอตามท่านก็ยังทําติ่งนิ่งเหมือนเดิมทางฝั่งประเทศลาวท่านก็สอนติ่งนิ่งไปจนบรรลุผลสาเร็จของท่านนี่แหละหลวงพ่อเทียนก็ข้ามไปเป็นอุบายศึกยังไม่ได้บวชเป็นบายศกอายุสี่สิบหข้ามไปก็ไปฝึกท่านบอกว่าในปีนั้นในพรรษานั้นมีพระอยู่ยี่สิบ รูปมีอุบายศกบาซีกาอยู่ห้าคนเป็นผู้หญิงใช้สามเป็นอุบายศกสองคืออีกคนหนึ่งอุบายศกอีกคนคือญาติของท่านท่า น, านชนไปนะก็ปรากฏว่าก่อนออกพรรษาแล้วเนี่ยอาจารย์มหาปันท่านก็จะสอบอารมณ์มเก็บมาสามเดือนเนี่ยใครรู้ทำอะไรขั้นไหนนะก็สอบอารมณ์ปรากฏว่าหลวงพ่อเทียนถูกสอบคนสุดท้ายก็ สอบไปสอบมาก็รู้ว่าหลวงพ่อเทียนอารมณ์ผ่านไปจนชุดแล้วตั้งคาถามหลายคําถามแต่คําถามหนึ่งที่ท่านเน้นก็คือว่าถามหลวงพ่อเทียนว่าพริกนีก่เผ็ดไหมโยมว่าเผ็ดไหมพริกเผ็ดเพราะถามว่าเกลือนเนี่ยเค็มไหมเค็มเพราถามหลวงพ่อเทียนว่าพริกเผ็ดไหมบอกไม่เผ็ดเอาทำไมไม่เผ็ดอ่ะ ว่าเดี๋ยวนี้พิกมันด้อยู่ที่ลิ้นนะผมอะนี่คือตัววิปัสนาวิปัสนาคือตอบตามสภาวะขณะนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์วิปัสนาอ่าคำถามที่สองอันนี้ท่านเล่านะว่าสีอะไรที่ดํากว่าสีดำเป็นคําถามที่แปลกสีอะไรที่ดํากว่าสีดําใครตอบได้อาจจะเข้าถึงธรรมง่ายๆ อันนี้ไม่ตอบนะปัญหานี้นะให้ออไปคิดกันเองเผื่อว่าคนคิดล้าอาจจะเข้าถึงทําได้ที่นี้อันนี้ท่านถามเรื่องอารมณ์รูปนามตั้งคำถามแบบนี้นะที่นี้คำถามที่ว่าหลวงพ่อเทียนจะผ่านอารมณ์เรื่องวิปัสสนูจินตยานวิปลาสหรือไม่ท่านตั้งคำถามใหม่ท่านถามมาว่าพ่อ อ, อ, อุบาสกหลังจากนี้แล้วพ่ อ, อ, อต้องกลับบ้าน แต่ว่าการกลับบ้านมันต้องผ่านบางช่วงไม่มีรถเนี่ยมันต้องเดินผ่านป่าผ่านเขาสมัยนะั้นยังไม่เจริญใช่ไหมปีสองสี่แปดสี่แห้ายังไม่เจริญถ้าได้ข่าว่าป่าเนี่ยมันมีเสือเจ็บอยู่เพราะว่าถูกยิงมาจากทั้งอื่นตามปกติเสือเจ็บมันจะดุมากนะดุร้ายมากหมาความว่าเจออะไรก็กัดอันนั้นอะไรเจอคนก็คนเจอสัตว์กัดสัตว์ว่าถ้าผ่านป่าเนี่ยมันมีเสือเจ็บอยู่เนี่ย พ่อจะกล้าผ่านไปไหมพ่ะเทียนตอบ ว, ว่าไงกล้าขอรับเอา้าไม่กลัวเสือเด่ะเพราะตอนนั้นอาจจะไม่มีเสือก็ได้ตอนทีงไปอะ่ะเสือมันอาจจะไม่อยู่ตรงนั้นก็ได้หรือถ้ามันมีผมอาจจะสู้มันก็ได้เอออาจารย์ถึงรู้ว่าหลวงพ่อผ่านอารมณ์เหล่านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาถามกันอย่างงี้เลยเขาไม่ได้ถามเรื่องหมายถึงเสือจริงนะแต่หมายถึงว่าอารมณ์ที่มันร้ายกาจที่มันจะกัดอยู่ข้างในเนี่ย ถ้าเจอมันอาจจะจัดการกับมันยังไงแต่ตัวนี้มันยังไม่เกิดแต่เวลามันเกิดมาผมอาจจะสู้มันก็ได้แต่ขณะที่อารมณ์ตัวร้ายร้ายมันเกิดเนี่ยตัวกิเลสร้ายมันเกิดเนี่ยสติตัวนั้นมาทันอาจจะสู้กับมันก็ได้ท่านต้องการคําตอบอย่างนี้แต่เขาก็ถามอีกแบบนึ่งนี้คือถามแบบนักวิปัสสนาทางนั้นก็เลยอาจารย์มหาปัญญ็ยกมือนงโธธนาองุสาทุพอกนั่นก็กลับบ้านได้ ท่านก็เลยกลับมาในช่วงที่เล่าถึงท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านบอกว่าช่วงที่ทําำไปติงนิ่งนี่ไปเนี่ยระยะหนึ่งเนี่ยท่านเกิดฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะเมื่อก่อนท่านทําหนอทําพุทโธอะไรมามันคือการเพ่งเน่ยเพ่งมันไม่ได้ต่างพุทโธต่างหนอเนี่ยไอ้ทำช้าช้าแบบนี้ใช่ไหมมันก็เป็นสมถะอ๋อแล้วแล้วทำทำไมเ่ยยกมือหนอเนี่ยทำทำไม เพื่ออะไรท่านก็ตรวจสอบอันนี้คือปัญญาของท่านนะอ๋อทำเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะให้เกิดตัวรู้เท่านั้นเองเพรคนนั้นก็ไม่จําเป็นต้องช้าไวก็ได้นี่เออท่านก็มาเรียบเรียงจังหวะเสียใหม่ทาเป็นจังหวะจังหวะเรียบเรียงให้สติสัมผัสเข้าสู่จิตเป็นระเบียบเท่านั้นเองให้เป็นระเบียบเหมือนกับเราทอผ้าเนี่ยใช่ไหม มันเป็นระเบียบเข้าทีละเส้นและเส้นแล้วเส้นและเส้ น, ส น, สนถักทอกันไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นผืนสติเหมือนกันเมื่อถักทอเข้าไปทีละจังหวะทีละจังหวะทีะวะ่ว่าเหมือนฟืมตีได้ผลิตเส้นรู้จักฟืมไหมพวกเราไม่ใช่คนว่านอกคงไม่รู้จักนะเคยเป็นคนว่านอกมาหรือเปล่าคือนะ เ, คเคยเห็นเขาทอผ้าใช่ไหมแม่ทอออเนี่ยเวลาเขาส่งกระสวยไปเออส่งกลับมาก็ตี ไ, ไหเป็นกีเขาเรียกกีกระตุกกนะัน่ะเข้ามาทีละเหมือนกันที่เราสร้างจังหวัแต่ละ จังหวะนี้หมความ่าเราก็ถักทอตัวรู้เข้าไปที่ลายเส้นลายเส้นลายเส้นใที่สุดมันก็จะเป็นฐานของสติแล้ ว, ว่าสติปัฏฐานทีนี้ในช่วงที่ท่านเล่าเนี่ยท่านบอกว่าช่วงที่ท่านจะเห็นรูปนามเนี่ยท่านสร้างจังหวะไปปกติป้ากลว่าใต้ต้นเขาเรียกต้นคอยนะมันมีแมลงป่องตัวนึงตกลงมาจากต้นคอยมาตกใส่ขาของท่านแมลงป่องไม่รู้อ่อน ตามปกติมันดูมากนะแต่ตกมาปับ๊บท่านก็จึงคือตามปกติแล้วโดยสัญชาตญาณท่านก็คนทั่วไปต้องรีบปัดทันทีใช่ไหมแต่นี้จึงเออท่านดูเฉยๆเนาอมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็ไม่ไม่ดุท่านก็ไม่เขียก็ดูมันจนกระทั่งมันมันเดินหนีออกไปเองขนาดนั้นท่านฉุ ก, กีิดว่าอ๋อแมงป่องก็เป็นลูกเราก็เป็นลูกรูปเดอรลูกมันไม่ทําอะไรกันนี่ รู้สัแต่ว่ารู้รู้ว่ามึงมึงป่องก็เป็นรูปขาก็เป็นรูปรูปต่อรูปมันไม่เบียดเบียนกันแต่ขณะนั้นถ้าเราไปคิดว่ามันจะเบียดเบียนความคิดมันจะไปกระตุกให้สัญชาตญาณของมึงป่องมันจะเกิดการพอเราคิดครั้งหนึ่งเขาว่ามีอะดรีนาลีนหลั่งออกมาจากร่างกายมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาต่อแมองป่องโดนแมลงป่องอันจะเกิดไต่ขึ้นมาต่อยท่านก็ได้แต่นี่ท่านรู้เฉยเยมันมันมันนี่ไเป็นสมาธิ สติในขณะนั้นแม่ปองเขาไม่ได้ต่อยเกิดการเข้าใจรูปนามผนันนั้นเลยอ๋อรูปก็คือรูปมันไม่ทําอะไรกันนามก็คือนามมันไม่มีความคิดคือรู้เฉยๆเป็นนามรูปกระทบรูปก็รู้เฉยๆเป็นรูปอาการที่ความคิดมันเป็นคิดเป็นรูปเป็นนามมาลูกขึ้นมาเพราะว่าเราเข้าไป ปงแต่งมันคิดว่าเอออันนี้แรงป่องอ น, นุมนป่องจะเดือดเราเราต้องปัดมันมาไวมากความคิดแบบนั้นจนบังคับให้มือเราตกโดยที่ไม่รู้ตัวอันนั้นขาดสติแต่พอตรงข้อปับ๊บกำหนรู้อ๋อกระทบปั๊บรู้สติรู้เฉพาะกระทบความคิดไม่เกิดรู้เฉยเกิดอาการขั้งแรกคือรู้รูปนามเพราะเห็นแรงป่องตกใส่ขาแล้วต่อมาก็มารูบมานาม้ำลูบ เห็นนนี้จังทุกขังหน้าตาเห็นขันห้าเห็นสมมติเห็นปรมาทัศน์ท่านก็เล่าตามลําดับ น, นั้นแต่อันนี้คือการจุดเริ่มต้นที่ท่านรู้ตัวนี้เพราะฉะนั้นจังหวะดั้งเดิมก็คือจังหวะช้าๆแบบนี้แต่เพราะท่านเอามาดัดแปลงเส่นใหม่ให้เป็นจังหวะที่14จังหวะเพราะฉะนั้นก็จึงพัฒนามาจากต้นตอที่กรรมาฐานทางเมืองลาวเรียกว่ากรรมาฐานตีงนิ่งตีงคือเคลื่อนนิ่งคือหยุด กรรมาฐานติงนิ่งเรามาประยุกต์เป็นกรรมาฐานแบบสิบสี่จังหวะแต่เดี๋ยวนี้ข้ามไปดูที่ประเทศเราที่สุพรรณหลวงมาคือข้ามมาดูว่าเขายังทำกันอยู่ไหมปรากฏเขาทํานิดเดียวแล้วก็ไปต่อด้วยหนอเลยะทําติงนิ่งสักพักหนึ่งพอค่อยว้ครูอ่ะเอาตัวเคลื่อนไหวนี่เป็นตัวว่ายครูเสร็จแล้วก็ต่อด้วยกรรมาฐานหนอหมดแล้วนะแต่ว่าวิธีนี้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าไม่ใช่ ติงนิ่งเหมือนเดิมแต่ว่ามีการปรับเป็นวิธีการวุฒเขียนท่านนี้อันนี้พูดถึงความเป็นมาว่าก็มาถามแบบนี้มาอย่างไรนะให้รู้ที่ไปที่มาเวลาเขาถามก็จะได้ตอบได้ใช่ไหมมาจากไหนใครสอ น, นอะไรแวหนึ่งเรก็จะเล่าให้ฟังอย่างนี้ได้นะดังนั้นเองก็เอามาเลยมั่นใจว่าแต่วิธีการนี้จะไม่ง่ายเลยสําหรับคนที่ใช้ความคิดใช้ สำหรับตำราติดวิชาการอะไรต่างๆ เ, เพราะว่ามันเอาไปเปรียบเทียบทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่มีสภาวะแต่ามามีศรัทธาในการที่จะทํามาก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ลงมือทําก่อนแล้วมาเปรียบเทียบทีหลังมันคือเรืลงตัวถ้าเกิดไปนึกเปรียบเทียบก่อนอย่างที่พระทั่วไปทํากันก็ไปไม่รอดในที่สุดก็จะเข้าไปสู่ตาราเพราะมันอดสงสัยไม่ได้เพราะกรรมาฐานทํากันมาในบ้านเราเมืองเรา ร้อยวันพันปีก็คือนั่งหลับตากําหนดลมหายใจใช่ไหมส่วนจะใช้อะไรเป็นอารมณ์เป็นนิมิตก็อีกเรื่องหนึ่งใช่แค่พูดโทยใช้น้อยใช้สมาอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คือรูปแบบเดียวกันคือนั่งหาขคอทรัพขาซ้ า, ายมือขวาทํามือซ้ายตั้งตัวตรงดารงสติมั่นกําหนดลมหายใจเข้าออกรูปแบบนี้เงี้ยเป็นรูปแบบตายตัวเลยใช่ไหมถ้าใครมานั่งอย่างนี้เขาไม่ถือว่าเป็นนั่งกรรมฐ า, านนะใช่ไหมเอ๊ะทำไมคุณไม่นั่งสมาธิว่างั้นคุณไม่นั่งกรรมฐานนะคุณนั่งยกมือทําไมเห็นไหม เพราะนั้นอรูปแบบแบบนั้นมาถูกบล็อกไว้ว่ากรรมฐานต้องเป็นรูปแบบแบบนี้มันก็เลยคนรับยากไงแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวทำเพื่อให้เกิดตัวรู้เราไม่เอาตัวสงบพูดโทรไปว่าอะไรนะที่เราส่วนไม่เกี่ยงเอาคำว่าสงบอยู่ตรงไหนไงไม่มีใช่ไหมสร้างตัวพูดโธรขึ้นมาคือภาวะตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบาน รู้ก็คือสติดูตื่นคือสมาธิเบิกบานคือปัญญาเพราะฉนั้นสติสมาธิปัญญาในคำว่ า, าพุทโธแต่เราคือเราเอาคำว่าพุทโธไปเป็นตัวบริกรรมกลายเป็นสมาธิไปเสร็จไปเพ่งไปเป็นสมาธิไปเฉยแต่เราเอาพุทโธมาปอกเปลือกคือรู้ตื่นเบิกบานในขณะทํานี้รู้รู้ตัวใช่ไหมตื่นตัว เราทําไปนานๆเบาสบายเพราะมันสลัดความคิดไปเรื่อยๆก็เบิกบานใช่ไหมปัญญาก็เกิดแค่นี้คือคอนเซปต์หลักมันนะดังนั้นเองก็รับประกันได้ว่าถ้ามันผิดทางมันไม่ใช่เนะี่ยมาผิดทางมาคนเดียวแต่เราได้ยี่สบสาสิปีนี่นะแต่รับรองว่าไม่ผิดเพราะทาแล้วมันบอามันสบายมีความสู่ความสบายความปลอดโปร่งความรูงความเข้าใจในสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นนะอันนี้คือโอ้หมดเวลาพอดีแล้วเนนะี่ยเนาะ เดี๋ยวไม่มีเวลาให้ถามเลยหมดเวลามีนิดหนึ่งใครถามเลยนี่หน่อยไม่เกินห้านาทีมีไห ม, มก็วันนี้คุยกันมาทั้งวันเราไม่ต้องสงสัยอะไรเนาะก็ให้เอาไปทำดูเสียดายเมื่อมีเวลาน้อยไปหน่อยน่นะ จะเป็นจะเป็นจะเป็นปัญญาหรือเป็นอวิชชาเนี่ยไหมที่เป็นสังขารหรือเป็นปัญญาใช่ไหมทั้งท่านี่ความคิดนี่เป็นบวกองค์คดีท่านบอกว่าสิ่งไหนที่ดีก็ตามแต่ว่าจําเป็นในขณะนั้นไหมใช่ไหมเอาอยู่ที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นถ้ามันไม่ไม่จําเป็นถึงดีก็ยังไม่ต้องใช้อย่างเงินเนี่ยเป็นของดีแต่เราต้องใช้ไปอยากจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ไม่ได้ใช่ไหม ต้องใช้เท่าที่จำเป็นใช้บ่อยหมดเหมือนกันตัวความคิดถึงแม้จะดีแต่ว่ามันไม่ใช่จะต้องใช้ตอนนี้ให้เก็บไว้แต่ขณะนั้นให้ให้ใช้เฉพาะสิ่งที่จำเป็นขณะนี้เป็นเวลาที่จำเป็นต้องรู้เท่านั้นแต่มันไม่ใช่เวลาที่เราจะต้องเอามาคิดดีแต่มั่เรามีตัวรู้อยู่แล้วเนี่ยคิดดีจะคิดเมื่อไหร่ก็ได้เหมือนมีเงินอยู่แล้วเนี่ยจะจ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะนั้นเราสะสมตัวรู้ตัวเดียวแล้วตัวรู้นี่ไปแปลงเป็นอะไรก็ได้นี่ไปแลตัวรู้เป็นปัญญาเป็นเหมือนเงินเนี่ยเอาไปซื้ออะไรก็ได้ อ, อันนั้นก็เป็นตัวรู้ล้วนๆให้ให้รู้ตัวนี้ต่อไป <c oughs> เพื่อให้จิตได้เสพคุ้นกับตัวสภาวะแบบนี้มากๆจิตของเราก็จะได้คุ้นเคยกับความว่างมากขึ้น เวลาอะไรเกิดขึ้นปั๊บจิตเข้าไปอยู่สภาวะรู้ทันทีเพราะมันมีมากพอแต่คนส่วนใหญ่มันทําไปทํามาเอ้ออะไรตรงไหนวะคิดไปคิดมามันเลยไม่ได้อะไรเลยก็ตั้งใจรู้ให้รู้เฉยๆเพราะจิตเสพคุ้นกับความรู้เฉยๆมากจิตก็จะมีตัวรู้เป็นที่อยู่เวลามากระทบปั๊บจิตมันก็วิ่งไปหาตัวรู้ได้เร็วเพราะเราให้มันรู้อยู่นานๆมันคุ้นกับสิ่งนั้นไม่ต้องไปทำอะไรให้มันให้รู้ใช่ใช่<ๆ>ให้รู้เท่านั้นเองแต่ถ้ารู้ แล้วมันแช่รู้แล้วมันเพลินก็ไม่ใช่นะรู้ต้องให้รู้ใ ห, ให้ให้รู้ให้สบายถ้าไปรู้แล้วมันเบาสบายเพลินเข้าไปในความรู้เข้าไปในความสงบอันนี้ก็ไปอีกทางหนึ่งนะอันนั้นไม่ใช่ก็ต้องให้มันตื่นตัวขึ้นมาหรือบางคนมันเพลินเข้าไปในความเงียบความสงบเป็นสมถะไปก็มีอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันก็ต้องออกมาหรือยังบอกไม่ได้ว่ารู้ว่ามันเบาสบายแ เมื่อได้รู้สึกบาสบายก็เอก็ต้องเปลี่ยนมาให้มาให้มันสบายขึ้นบ้างก็ลุกขึ้นมาเดินเพื่อออกจากภาวะนั้นเฉยออไว้จากตัวเพลินนั้นเ้ยให้มันตึ่นรู้ถ้ามีตัวรู้ที่ตัวรู้นี่ยรู้แช่อย่มันเป็นตัวรู้ที่อ่อนแอก็ทําให้ติดความสงบคือความสุขไปเลยอันนี้จะต้องระวังมนกันโอเคหมดเวลาอันนี้ก็ขอพัฒนาสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายที่จะต้องนําไปศึกษาเรียนรู้พัฒนา ให้เป็นภูมิธรรมภูมิปัญญาสามารถที่จะชำระจิตใจของเราให้รู้ตื่นเบิกบานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอ